พระไตรปิฎกฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีความแม่นยำเพียงไรช่วงที่สองคือระยะที่รักษาพุทธพจน์และเรื่องเกี่ยวข้องในพระไตรปิฎกทั้งหมดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการรักษาไว้กับวัตถุภายนอกเริ่มเมื่อประมาณพุทธศักราช460ที่มีการสังขยาครั้งที่สณอาโลกะเลนสถานในลังกาทวีป สังคยาครั้งที่สี่นี้เกิดจากเหตุผลที่ปรากฏว่าเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสภาพแวดล้อมผันแปรไปเกิดมีภัยที่กระทบต่อการทำหน้าที่สืบต่อทรงจำพุทธพจน์และคนต่อไปภายหน้าจะเสื่อมถอยสติสมาธิปัญญาเช่นมีศรัทธาและชันทะอ่อนลงไปจะไม่สามารถรักษาพุทธพจน์ไว้ด้วยมุขปาฐจึงตกลงกันว่า ถึงเวลาที่จำต้องจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานในแง่หนึ่งการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร น, นี้ดูเหมือนจะมีความแน่นอนและมั่นคงถาวรดังต้องการคือจะคงอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจนกว่าวัสดุจะผุสลายหรือสูญหายหรือถูกทำลายไปแต่วิธีรักษาแบบนี้มีจุดอ่อนที่ทำให้บุคคลเกิดความประมาท ด้วยวางใจว่ามีพระไตรปิฎกอยู่ในใบลานหรือเล่มหนังสือแล้วความเอาใจใส่ที่จะสาธยายทวนทานหรือแม้แต่เล่าเรียนก็ย่อหย่อนลงไปหรือถึงกับกลายเป็นความละเลยอีกประการหนึ่งการจ้ารึกในสมัยโบราณต้องอาศัยการคัดลอกโดยบุคคลซึ่งเมื่อมีการคัดลอกแต่ละครั้งจะต้องมีการพลั้งเผลอผิดพลาดตกหล่น ทำให้ตัวอักษรเสียหายเป็นตัวตัวหรือแม้แต่หายไปเป็นบรรทัดยิ่งบางทีผู้มีหน้าที่รักษาไม่ถนัดในงานจานเองต้องให้ช่างมาจานให้บางทีผู้จานไม่รู้ไม่ชำนาญภาษาบาลีและพุทธพจน์หรือแม้กระทั่งไม่รู้ไม่เข้าใจเลยก็ยิ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดอย่างที่ในสังคมไทยโบราณรู้กันดีในเรื่องการคัดลอกตารายา ดังคำที่พูดกันมาว่าลอกสามทีกินตายด้วยเหตุนี้การรักษาพระไตรปิฎกในยุคฝากไว้กับวัตถุนอกตัวบุคคลนี้จึงต้องใช้วิธีทมฉบับใหญ่ของส่วนรวมที่จารึกและทบทวนตรวจทานกันอย่างดีแล้วรักษาไว้ที่ศูนย์กลางแห่งหนึ่งเป็นหลักของหมู่คณะของสงฆ์ทั้งหมดหรือของประเทศชาติ ประจวบว่าในยุคที่รักษาพุทธพจน์เป็นลายลักษณ์อักษรนี้พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายไปเป็นศาสนาแห่งชาติของหลายประเทศแล้วแต่ละประเทศจึงมีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับที่เป็นหลักของประเทศของตนของตนไว้และดูแลสืบทอดกันมาให้มั่นใจว่ายังคงอยู่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังเช่นในประเทศไทย ที่มีการสังคยนาในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาและการสังคยนาในสมัยรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเป็นต้นในเวลาที่เรามีการตรวจชำระรัตไยปิโกครั้งหนึ่งเราก็เอาของทุกประเทศมาสอบทานเทียบเคียงกันเพื่อดูว่ามีข้อความถ้อยคำหรืออักษรตัวไหนผิดเพี้ยนกันไหม อย่างชื่อพระัญญาโกนทัญญะมีการผิดเพี้ยนกันไปนิดหน่อยฉบับของเราเป็นอัญญาโกนทัญญะฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปรกรณ์เป็นอัญญาตะโกนทัญญะเป็นต้นความแตกต่างแม้แต่นิดเดียวเราก็บันทึกไว้ให้รู้ในเชิงอัธยแม้ว่าการเวลาจะผ่านล่วงไปเกินพันปี เมื่อนำพระไตรปิฎกที่ประเทศพุทธศาสนาแต่ละประเทศรักษาไว้มาเทียบกันก็พูดได้โดยรวมว่าเหมือนกันลงกันแม้จะมีตัวอักษรที่ปิดแผกแตกต่างกันบ้างเช่นจอจานเป็นวแหวนบ้างเมื่อเทียบโดยปริมาณทั้งหมดแล้วก็นับว่าเล็กน้อยยิ่งแสดงถึงความถูกต้องแม่นยาในการรักษาที่ทากันมาด้วยความตั้งใจ และตระหนักถึงความสำคัญอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเทราวาดจึงมีความภูมิใจโดยชอบธรรมว่าเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้เป็นแบบเดิมแท้ดังเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลคือนักปราชว์วงวิชาการทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นมหายานหรือเทราวาดหรือวัชระยาน ว่าพระสูตรต่างๆของพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เป็นอาจารยยะวาดเป็นของที่แต่งขึ้นภายหลังไม่รักษาคำสอนเดิมแท้ๆไว้คำพีส่วนมากก็สาบสูญไปเขาก็เลยมายอมรับกันว่าคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าที่จะหาได้ครบสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องมาดูในพระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาเทราวาสของเรานี้ การสังคายนานั้นต้องให้รู้ว่าเป็นการที่จะรักษาคำสอนเดิมเอาไว้ให้แม่นยำที่สุดไม่ใช่ว่าพระภิกษุที่สังคายนามีสิทธิ์เอาความคิดเห็นของตนใส่ลงไปบางคนเข้าใจผิดว่าในการสังคายนานี้ผู้ที่เข้าร่วมสังคายนาจะไปปรับไปแต่งไปทำอะไรกับพระไตรปิฎกดีไม่ดีอาจจะถึงกับเข้าใจว่ามาแต่งพระไตรปิฎกกันใหม่ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปไกลแสดงว่าไม่รู้จักการสังคยนาและไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าในพระไตรปิฎกไม่มีเฉพาะคําตรัสของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคําของพระสาวกก็มีเช่นคําของพระสารีบุตรที่ได้แสดงวิธีสังคยนาเป็นตัวอย่างไว้นั้นก็เป็นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกชื่อสังคีติสูตร แต่ธรรมะที่พระสารีบุตรนำมาสังคยาไว้ในสังคีติสูตรนั้นก็คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั่นเองนอกจากนั้นก็มีคำสนทนากับผู้อื่นซึ่งมีคำของผู้อื่นรวมอยู่ด้วยในนั้นหลักคำสอนอะไรเก่าๆก่อนพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับ ทรงนำมาเล่าให้นับถือปฏิบัติกันต่อไปก็มาอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยอย่างเรื่องชาดกเฉพาะส่วนที่เป็นตัวคำสอนแท้คำพีที่นิพนธ์แม้หลังพุทธกาลก็มีบ้างอย่างในคราวสังคยนาครั้งที่สามสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระประธานสังคยนาเรียบเรียงคำพีขึ้นมาเล่มหนึ่ง ชื่อว่ากถาวถัตถุเพื่อชําระคําสั่งสอนที่ผิดพลาดของพระบางพวกในสมัยนั้นแต่การวินิจฉัยนั้นก็เป็นเพียงว่าท่านยกเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่โน้นที่นี่ในเรื่องเดียวกันนั้นมารวมกันไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอย่างนี้ก็กลายเป็นคำภีใหม่ แต่แท้จริงก็เป็นการนำเอาพุทธพจน์ในเรื่องนั้นๆมารวมไว้ในอีกลักษณะหนึ่งโดยมีเรื่องราวหรือข้อพิจารณาอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นแกนหัวข้อชัททะสังคีติและภายหลังจากนั้นเมื่อการติดต่อสื่อสารคมนาคมในโลกสะดวกมากขึ้นแล้ว ครั้ถึงช่วงระยะครบ25สตวรรษแห่งพระพุทธศาสนาและประเทศพุทธศาสนาต่างก็จัดงานสมโพธเป็นการใหญ่ในประเทศของตนก็ได้มีการสังขยนณาระหว่างชาติขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศพมา่าเมื่อพุทธศักราช2497ถึง2499ที่พระสงฆ์และนักปราชจากประเทศพุทธศาสนาเทราวาททุกประเทศ และประเทศที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนาได้มาประชุมทวนทานพระไตรปิฎกบาลีของพมา่าที่เตรียมไว้พร้อมทั้งพระไตรปิฎกฉบับอักษรต่างๆของนานาประเทศเรียกว่าชัตตะสังคีติอันที่ยอมรับทั่วไปในประเทศพุทธศาสนาทั้งหลายอย่างไรก็ดีหลังจากชัตตะสังคีติเสร็จสิ้นแล้วไม่นาน ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงและพันผวนทางการเมืองในประเทศพมา่าซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นเหตุให้การดูแลรักษาและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับชัตทะสังคีติไม่ดำเนินมาอย่างราบรื่นจนเกิดมีความเข้าใจสับสนขึ้นระหว่างพระไตรปิฎกฉบับเดิมของพมา่าที่ใช้เป็นต้นร่างสาหรับพิจารณาในการสังคายนา กับฉบับที่เป็นผลงานของการสังคยนาบัดนี้กองทุนสนทนาธรรมนำสุขในพระสังฆราชูปธรรมได้ดำเนินการนำพระไตรปิฎกฉบับฉัตตสังคีติที่สอบทานโดยที่ประชุมสงฆ์เทรวาสนานาชาตินี้มาจัดพิมพ์ด้วยอักษรโรมันที่เป็นสากลแก่ผู้อ่านในานานาประเทศ จากการดำเนินการด้วยความเพียรพยายามอย่างตั้งใจยิ่งและโดยกระบวนวิธีที่รอบคอบรัดกุมจึงมีรายงานของคณะผู้ทำงานว่าได้พบพระไตรปิฎกฉบับชัฏทสังคีติที่พิมพ์ต่างวาระและสามารถกำหนดแยกได้ระหว่างฉบับต้นร่างกับฉบับที่พิมพ์จากผลงานอันเดชหวนทานแล้วตลอดจนรู้เข้าใจฉบับที่พิมครั้งต่อต่อมาได้ตามเป็นจริง ทำให้ได้ต้นฉบับที่มั่นใจที่สุดกับทั้งยังได้สอบทานกับพระไตรปิฎกฉบับอักษรต่างๆของหลายประเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกับทำให้จุดหมายของชัทธสังคีติบรรลุผลสมบูรณ์นอกจากนี้คณะผู้ทำงานได้นำเทคโนโลยีสาราสนเทศของยุคปัจจุบันที่ล่าสุดมาใช้ประโยชน์ด้วย ทำให้จัดวางระบบการค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ฐานข้อมูลที่พร้อมอย่างยิ่งสำหรับงานอย่างอื่นเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าประไัตรบิดกที่อาจจะจัดทำต่อไปเช่นการนำข้อมูลลงในซีดีรอมโดยมีโปรแกรมค้นให้สะดวกเป็นต้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแก่นแท้หรือสาระสุดท้ายของงานนี้ก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธพจน์ที่สืบต่อมาถึงเราในรูปของพระไตรปิฎกภาษาบาลีไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดคงเดิมตามที่มีการรวบรวมพุทธพจน์ครั้งแรกในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งให้ผู้อ่านเข้าถึงคาสอนเดิมของพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยไม่มีมติของบุคคลอื่นใดมาเกีดกันแม้แต่ความคิดเห็นของพระธรรมสังฆาหากาจารย์ ซึ่งหากจะมีท่านก็ได้บอกแจ้งหมายแยกไว้เป็นการเปิดโล่งต่อการใช้ปัญญาของผู้ศึกษาอย่างเต็มที่